นี่เมื่อเราได้รู้จักด้วยการอยู่ร่วมกันแล้วนี่ก็จะทำให้มีการแลกเปลี่ยนกันในฐานะเป็นสิทธิ์ที่สายงานผู้พี่ผู้น้องผู้พี่มีประสบการณ์มากกว่าหรือมีภูมิธรรมภูมิปัญญามีประสบการณ์มากกว่าก็าจะได้แบ่งปันกับสิทธิ์ผู้น้องผู้น้องก็จะได้ฝึกฝนจริยวัตรหรือ ัดปฏิบัติอันเหมาะสมแก่การเป็นนักปฏิบัติเป็นสมณะสรูปทํามสายงานซึ่งพวกเราก็ทำกันมานานแล้วนะสมัยหุวพ่อเทีมีชีวิตอยู่ก็ทำมาตั้งแต่นุนพศ2อั้เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็40ปีก็ทำมากันตามลาดับสายงานก็ได้เติบโตมาตามลำดับซึ่งก็จนกระทั่งว่าเรื่องของคำว่ารู้สึกตัวเนี่ยได้ขยายไป ไม่เฉพาะในประเทศไทยนะขยายวิสูนานาชาติได้รู้จักคำนี้กันโดยทั่วไปนะในภาษาต่างประเทศเราใช้คำว่ามฟูเนสนะไม่ว่ายุโรปอเมริกาท่งเอเชียตะบอกเฉียงใตนะ้ได้รู้จักคำนี้กันมากขึ้นนะหลังจากที่พุทเถียนได้นำมาเผยแพร่พวกเราทั้งหลายก็เป็นาศาสนาทายาทเป็นสิทนะที่สืบต่อมาก็คนที่จะทาหน้าที่นี้ต่อไป ทั้งนี้ในวิธีการอลวงพ่เทียนนั้นต้องการให้เราได้รับอา น, นิสงส์ด้วยตนเองก่อนแล้วก็ได้แบ่งปันประสบการณ์ที่เราได้ฝึกฝนตนเองจนสามารถทำให้เหตุเกิดทุกข์ลดลงนะทำให้การดับทุกข์ปรากฏและมีความสุขในชีวิตพรมจร แต่ลอดถึงญาติโยมที่ได้สมทานปฏิบัติแบบนี้ก็ได้รับความสุขสงบพอสมควรด้วยการมาศึกษาโดยวิธีนี้ซึ่งถ้าหากว่าไม่ได้รับผลเท่าที่ควรท่านทั้งหลายก็คงจะไม่ยืนหยัดยินยันมาถึงแบบนี้อันก็แสดงว่าได้รับอ น, นิสงส์ส่วนหนึ่งของการเข้ามาสมถานแต่ว่าเราคงไม่พอใจแต่เพียงเท่านี้เราต้องการไปไกลกว่านี้ถึงทําลายกิเลสอาสวะซึ่งเป็นเหตุให้เกิด การเวียนว่ายใจเกิดไม่จบสิน้นนะพวกเราก็จะได้ตั้งใจกันถึงแม้ว่าในความก้าวหน้าจะไปไม่ถึงที่สุดระดับระดับหนึ่งเราก็ดีกว่าที่จะย่ําอยู่กับที่หรือถอยหลังถ้าเราไม่เดินหน้ า, าเราเดินหน้าเรามีโอกาสที่จะก้าวไปข้างหน้าได้ไม่มากก็ น, น้อยหรือบางทีเรามีเกิดมีบุญบา ร, รมีที่ได้สั่ ง, ส, งสมมเด็จเก่าก่อนมาตามให้ผลเราก็อาจจะได้ บรรลุถึงมรรคผลได้ไวขึ้นนะดังนั้นเองก็การเตรียมพร้อมต่างๆก็ดูเหมือนว่าไม่ยากนะครับไม่ว่าตลอดถึงการอาหารวินทบา่ายสถานที่กริยนใมิตรมีความพร้อมทุกอย่างครับไม่ยุ่งยากในการจัดค่ายในครั้งนี้ดูเหมือนว่าธรรมะจากสรรค์ให้คล่องตัว ต, ตลอดถึงญาติโยมที่เข้าร่วมและผู้ประธทำบำรุงค่ายก็ดูเหมือนว่าทุกอย่าง เหมือนธรรมะจักสรนนะท่านทั้งหลายก็มาด้วยไม่มีอุปสรรคปัญหาแต่เราถึงการเดินทางก็คิดว่าเราก็คงจะทำไปอย่างรู้คุณค่าเพราะในสิ่งที่ดีๆนั้นคงไม่ได้มาโดยง่ายในเมื่อทุกอย่างอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้เรามาได้โอกาสทำเช่นนี้เราก็จะทำให้ดีที่สุดสมกับที่ธรรมะจักสรนให้เราได้ทำนะ ถ้าในโอกาสนี้เราไม่ได้ตั้งใจทำก็น่าเสียดายมันก็มีไม่บ่อยนักอย่างน้อยก็ปีละครั้งและความที่เราได้รับโอกาสเช่นนี้ความก้าวหน้าก็จะเกิดขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยอยู่ขึ้นกับความขยันหมั่นเพียรความรักความเอาใจใส่ต่อการปฏิบัตินักสละกับผม อ, อีกนึงก็ได้ทำหน้าที่นี้มานานพอสมควรก็รับประกันได้ว่าจะ นำท่านทั้งหลายไปทางที่ถูกต้องแล้วท่านผู้ใดในขณะปฏิบัติมีอะไรที่สงสัยไม่แน่ใจก็เข้ามาถามได้เวลานะครับผมก็จะอยู่กุฏิตรงกลางนั้นกุฏิหลังนิเทศจันไกลจันพงศ์ตรงนั้นท่ า, งงนนทานผู้ใดที่อยู่ไกลออกไปถ้าเกิดมีอะไรที่จิตใจมันวอกแวกคว่อยขวยออกไปในทางที่ไม่ถูกต้องก็ต้องรีบมาปรึกษาพูดคุยกันไม่ปล่อยปละละเลยเพราะว่า การเดินทางภายนอกดันหลงไปกลับคืนได้ง่ายแต่การเดินทางข้างในเนะี่ยหลงไปกลับคืนได้ยากเพราะมันไม่เป็นรูปธรรมให้สัมผัสได้เพราะฉนั้นถาหากว่าค่อยๆเฉียย่ยใช้ไปทางใดทางหนึ่งแล้วถ้าเราไม่รีบแก้ไขมันก็จะกลับคืนยากเพราะในอดีตนั้นก็มีมากมายที่เกิดความรังเลสงสยัยไม่แน่ใจแล้วก็คิดไป ตามทางของตัวเองจนกระทั่งหลงไปไกลเกินกว่าจะแก้ไขได้ก็มีเป็นอันมากดังนั้นสําหรับคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติมานานแล้วก็ระดับหนึ่งคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติปานกลางอีกระดับหนึ่งคุณสมบัติของผู้ใหม่ก็อีกระดับหนึ่งนะครับคุณสมบัติของผู้บทใหม่ที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติไม่นานเนี่ย ก็ยู่มีอยู่สามสี่อย่างนะครับเรียกว่าอันตรายของผู้บทใหม่ซึ่งหลายท่านก็คงได้ฟังมาแล้วบ้างเช่น ว, ว่าหนึ่งก็เห็นแก่ปากแก่ท้องสอง ก, ส ก, สก็เป็นคนไม่อดทนนะไม่อดทนต่อคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์สามก็มีความฝักใฝ่ในการมคุณสูง 4ก็ไม่คารุในระเบียบวินยัยเหล่านี้เป็นต้นนะครับเป็นอันตรายของผู้บทใหม่สําหรับผู้ปรนกลางที่เป็นอันตรายคือก็4อย่างเหมือนกันคือไม่สํารวมในอาชีวปริสิสอาชีวปริสุทธิศินสี่คือหนึ่งไม่สํารวมระหว่างในอีซีหกแล้ว่าไม่สํารวมในอีซีสังวรสอก็คือไม่สํารวมในปาฏิโมกสังวรคือไม่ ระวัดระวังในสิค้าบทในข้อห้ามและในคนปฏิบัติไม่มันใครคนไม่ไม่มันศึกษาในสิค้าบทอันนี้ก็เป็ น, อ, นอันตรายเป็นอุปสรรคอันที่สามก็คือการเสพปัจัยสี่ด้วยการไม่พิจารณาไม่มีปัจยเณรศีดสีนั่นเองเถิดอันที่สี่ก็คือไม่ปาราบความเพียรอยู่เป็นประจำและ ว, ว่าฉาคริยานุโยก อันนี้อันตรายสําหรับผู้ที่ปานกลางเสี่อย่างนะครับคือไม่มีอาชีวะปริสุทธิศีลไม่มีปฏิโมกสังวรศีลไม่มีปัจจะศีลนิสิตศีลแล้วก็ไม่มีชาคารยานุโยคเนี่ยทั้งสี่ข้อสําหรับผู้ปฏิบัติมานานก็จะมีอันตรายเหมือนกันนะครับมีอันตรายตรงไหนมีอันตรายตรงที่ว่าไม่แจ่มแจ้งในสติปัฏฐานสี ไม่แจมแจ้งในอิธิบาทสไม่แจมแจ้งในสัมมปทานสีไม่แจมแจ้งในอินรีหในพระหาพุทชงเจตอริมักโยงเมื่อไม่แจมแจ้งก็ยังไม่ขนขวายไม่ศึกษาให้แจมแจ้งนะตะนั้นแต่ละระดับก็มีอันตรายเฉพาะตัวระดับผู้ใหม่ดังได้กล่าวแล้ว อันตรายสำหรับผู้ใหม่อันตรายสำหรับผู้ปานกลางและอันตรายสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์สูงทั้งสีอย่างและสีอย่างผู้มีประสบการณ์สูงแล้วไม่แจ้มแจ้งในสติปานสีผู้มีปานกลางไม่แจ้มแจ้งในอาชีวปรริสุทธิสินสีแล้วก็อันตรายไม่แจ้มแจ้งสำหรับผู้ใหม่ก็คืออันตรายสาหรับผู้บทใหม่4ประการ แล้วก็ควรจะศึกษาและเจดจำเอาไว้ว่าเราอยู่ในระดับใดก็ต้องระมัดระวังอันตรายในระดับนั้นซึ่งในรายละเอียดต่างๆผมจะค่อยชี้แจงแนะนำไปเป็นลำดับแต่ละวันแต่ละวันไปในช่วงเข้าปริวาทนะครับในช่วงนี้ที่พระอาจารย์ทุงศีนยังไม่มาถึงข้าอาจารทวงศีนยังไม่มาถึงแล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้ไปก่อนเตรียมสถานที่เตรียมที่อยู่อาศัย เตรียมฐาบริการเส น, สนาสนะอะไรให้พร้อมอในระยะวันสองวันนี้เอาให้แน่นอนเอาตรงไหนก็ตรงนั้นนะครับไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาว่าตรงนี้เหมาะสมละในระยะสิบวันแรกสิบวันที่สองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสิบวันที่สามก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าไม่ถึงระยะสิบช่วงสิบวันก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่นะครับตามที่ได้เกินกล่าวไป อตอนนี้แต่ละท่านก็ได้สถานที่ระดับหนึ่งนะแล้วก็อัฐบริขารได้สิ่งจำเป็นต่างๆนี่ก็คงจะไม่มีอะไรขัดข้องและไม่มีอะไรที่ขาดแคลนใช่ไหมครับทุกท่านมีครบตอนนี้นะครับทุกท่านมีครบตอนนี้ก็สําสหรับที่ผมได้กล่าวค้างไว้ในะตอนกลางวันว่าในแต่ละวันเราจะทําอะไรกันบ้าง ตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนจะขอใหอ้ตอนเข้าสู่ขั้นตอนสมบัติฐานปริวาติตอนนั้นก็จะบอกวัดกันอีกทีหนึ่งแต่คร่าวๆก็คื อ, อในช่วงตีสามครึ่งเนี่ยเราก็มีสัญญาณระครังปลุกนะครับตีสีเราก็จะมารวมกันที่ตรงนี้หรือที่สลาใหญ่ mm hmm. ผมจะเราไปดูอีกทีนึงว่าไห น, นจะสะดวก เพื่อที่จะทำเขาเรียกว่าเอ็กซ์ s ซซากรรมฐานก็คือการออกกำลังกายนะโดยการเจริญสติด้วยการออกกำลังกายตั้งแต่ตีสถึงตีหจากตีห้ถึง6โมงเช้าก็คือทำวัดสวดมนต์แล้วก็การฟังการศึกษากรรมฐานหนึ่งชั่วโมงนั้นพอหกโมงรับอาหารเช้าถึง7โมง จากช่วงเจ็ดโมงไปถึงเป็นต้นไปทำธุระส่วนตัวหนึ่งชั่วโมงเจ็ดโมงถึงแปดโมงจากแปดโมงเป็นต้นไปโดยถึงรับอาหารสิบโมงถึงสิบโมงครึ่งหรือสิบอาจจะสิบเอดโมงนะครับปดโมงครึ่งถึงสเ็ดโมงเราก็จะจปปฏิบัติตามที่อยู่้องตนโดยใช้ดีบทยืนเดินนั่ง แต่อิบุตนอนเอาไว้ใช้ตอนกลางคืนนะตั้งแต่สามทุ่มไปถึงตีสาครึ่งนี้ใช้อิบุตนอนให้เต็มที่เลยนะถึงเวลาก็ต้องออกมาใช้อิบุตรอิบุตรใช้เวลากลางคืนหมายความว่าเราปฏิบัติตลอด24ชั่วโมงนะใช้อิบุตนอนใช้หชั่วโมงหกสี่ยี่สิบีอบุตรได้หชั่วโมงนะเราก็จะได้สมดุลเพราะฉะนั้น ในหกชั่วโมงตอนนอนก็นอนอย่างมีสตินะจะหลับหรือไม่หลับก็ได้แต่นอนอย่างมีสติยืนอย่างน้อยก็ได้สักหชั่วโมงสลับกันไปนั่งอย่างน้อยก็หกชั่วโมงเดินอย่างน้อยก็หยืนเดินนั่งนอนสลับกันไปอย่างนี้หกชั่วโมงหกสี่ยี่สิบสี่ในยี่สี่ชั่วโมงเราปฏิบัติหมุนเวียนกันไปอย่างนี้ถ้าหากว่าสามารถทาสมดุลก็ได้ในช่วงนอนตื่นนอนก็ต้องมีสตินะ ตื่นอย่างมีสติและนอนอย่างมีสติก็เลยถือว่าได้ปฏิบัติแล้วนะนั้นในช่วงที่ดับนอนในภาคนอนก็จะไม่มีการไปหาไปมาหาสู่พูดคุยกันนอนก็คือนอนนะก็ดูความปลอดภัยต่างๆที่นี้เทียนแล้วก็ใครยังไม่มีเวลาจะเดินจงกลมตอนก่อนนอนหรือตื่นนอนมาก็ไปเอานะครับหรือจะมาเดินที่นี่ก็ได้ ในช่วงจันเย็นช่วงเช้าก่อนออกกําลังกายมาทํำกันที่นี่ซึ่งตรงนั้นเป็นศาลาไม้ก็คงจะไม่สะดวกคงเสียงดังคุณศาลาไม้ใชอะท้งนนข้างล่างก็เป็นพื้นหนึ่งชั้นล่างไี่ใช่บนชั้นล่างชั้นบนเป็นไม้ครับก็ผมยังไม่ได้ไปดูนะก็ตรงนั้นก็พรุ่นี้เช้าก็อาจจะดีก่อนอาญาโยม ทางอุบาสขอุบาสิกาก็จะไปใช้ฐานที่แห่งอาจจะใช้ที่นู่นนะเพราะจะไม่คนลกสนามกับพระนะตรงนั้นก็มีคนนำอยู่แล้วจะเป็นคูจิหรือคุณวิชัยก็ได้นำปฏิบัติเอ็กซ์เซสายแต่ตอนมาทำว่าส่วนมลฟังธรรมก็ามาที่นี่ก่อนในช่วงแรกนะแต่ในช่วงปริวัดญาติายาโยมก็อาจจะแยกไปปฏิบัติ หรือธรรมวัดอีกที่หนึ่งก็ได้เพราะว่าเวลาในช่วงปริวัติเป็นช่วงกิจกรรมสังฆกรรมของพระอาจจะใช้โยมอาจจะไปใช้ศาลาโน้นพระจะใช้ศาลานี้จะดูความเหมาะสม อ, อีกทีหนึ่งนะตรงนี้เพื่อ <c oughs> แต่แล้วท่านก็จะได้ประโยชน์เฉพาะากลุ่มของกครของมันก็รับรองว่าลพลวงจะดูแลให้ได้ประโยชน์ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรค ในช่วงแรกๆก็จะมีทํำวัดสนมนทํากิจกรรมเพื่อให้เข้ารูปเขรอยหลังจากที่เข้ารูปเข้รอยแล้วกิจกรรมเหล่านี้ก็จะตัดไปเช่นอาจจะไม่ต้องทํำวัดสมนม์ถึงเวลาลงมือปฏิบัติกันนะแล้วก็การออกกําลังกายนี้ก็อยากให้ทํารวมกันเพราะถ้าจะไปแ ย, ย, ยกทํากันก็ไม่แน่ใจว่าจะ <c oughs> ทํากันได้ทั่วถึงเพราะว่าในช่วงระยะหลังเนี่ยช่วงระยะสิบ ปีห้าถึงสิบปีที่ผมทำมาเนี่ยผมรู้สึกว่าได้รับประโยชน์ในสง่งการออกกำลังกายมากเพราะว่าผมอยู่ในวัยที่หกสิบหกหกสิบห้าหกสิบหกแล้วนี้หลังจากทำเรื่องนี้มานี่ไม่ค่อยเจ็บค่อยได้ป่วยเลยแล้วก็ทำงานได้ทั้งปีโดยที่ไม่ต้องพักนับทำ ง, งานหนักเดินทางไกลแต่ว่าไม่เจ็บป่วยร่างกายไม่ค่อยมีปัญหาเป็นเล็กๆ็น้อยน้อยก็แก้ไขได้ไวนะครับ ผมพยายามให้ท่านทั้งหลายเนมีความเข้มแข็งเพื่อจะทำภาระหน้าที่ได้อีกยาวแล้วก็ไม่มีขัดข้องเพราะร่างกายของเราเดี่ยบเสมือนรถนะครับแล้วก็จิตใจนี่เปรียบเสมือนคนครับถ้าจิตใจเราดีฝึกมาดีแต่ว่าร่างกายเราไม่ดีเนี่ยล้วก็ขับไปได้ไม่นานเหมือนรถนะคนขับจะเก่งขนาดไหนก็ตามแต่รถบรรยางแตกรถบรรยางรั่วยางซึมรถคงร่าง ช่วงล่างไม่ดีหรือไฟรถไม่ดีอะไรส่วนใดส่วนหนึ่งชับุูเสียหายเนี่ยคนขับจะเก่งขนาดไหนก็ไปไม่รอดนะครับทีนี้เหมือนกันเราเข้าใจธรรมาดีขนาดไหนก็ตามแต่ร่างกายเราไม่รู้จักวิธีดูแลร่างกายก็จะไปไม่ถึงไหนเหมือนกันนะครับพนั้นเองก็อันนี้คือเหตุผลว่าทําไมต้องออกกําลังกายบางท่านไม่เคยเข้ามาสมท า, านในวิธีการ ของผมนี่ก็อาจจะรับไม่เคยได้แต่ช่วงแรกให้ฝืนใจทำไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันเห็นอันนี้สงของมันเองสิ่งดีๆเนี่ยคงไม่เกิดกับเราง่ายๆหรอกครับเราจะต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องนะคนบางท่านอาจจะทำแบบอื่นมาก็ลองหันมาทำแบบนี้บ้างนะคือ ท, ทั้งที่ที่เรานำเสนอนะผมียายามนเสนอตามระดับ ที่นอกจากนี้เรื่องของต้องเระมัดระวังเรื่องของโ ท, ทโทรศัพท์ก็เก็บกันเรียบร้อยแล้วหรื อ, อยังไม่ได้เก็บเก็บ <ๆ S 1> แล้วนะครับบอาคือวันนี้นะครับถ้าคนไหนยังไม่ส่งถ้าเกิดว่าได้รับทราบมีผู้มารายงานว่าผู้ใดแอบใช้โทรศัพท์ผมก็จะขอากาสขอสิทธิ์นะครับว่ายึดมาอาจจะไม่ส่งคืนก็ได้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกติกานะครับ <c oughs> แต่ถ้าหากว่ามีอะไรสุกเฉินออาเบอร์ผมไปให้บอกให้ญาติทางบ้านถือว่ามีใครที่ต้องโทรหาเนี่ยเอาเบอร์ผมไปแล้วก็ให้เขาโทรมาเบอร์นั้นเบอร์ผมเป็นเบอร์กลางใครต้องการที่จะโทรมีความสุกเฉิอนหรความจําเป็นก็ใช้เบอร์ของผมฟรีได้เลยนะครับอันนี้เพื่อที่จะอำนความสะดวกในกันถ้าหากว่ามีความจําเป็นต้องติดต่ออะไรนะครับมาใช้เบอร์ผมนี้แล้วก็นอกจากนั้น เสนาสนะนะครับก็อันใดที่มันเกินจําเป็นนะอย่าไปเก็บลกลุงหลังในในเต็นท์นะครับไม่ว่าของอยู่ของกินน้ําเครื่องดื่มอะไรต่างๆเพราะบางทีมันมีเขาเรียกว่ามีมีวิบากเข้าไปรบ ก, กวนนะเช่นว่า ม, มีเราเห็นว่าเราไม่มีน้นําปนะเราอาจจะมีอะไรเครื่องชงตง้มต้มอะไรไปไว้ในเต็นท์นี่ยถ้ามีอุปสรรคมดเข้าอะไรเข้าขึ้นมาก็าจะลำบากนะครับ พ น, นราเก็บไว้ข้างนอกเราจะตั้งโต๊ะนําอะไรที่เครื่องดื่มอะไรที่สําหรับบางคนอาจจะอาหารไม่พอเกิดหิวขึ้นมาไอ้ลองท้องอันนี้ไปครูจีก็คงจะได้รวบรวมสถานที่เอาไว้สักแห่งหนึ่งเพื่อเอาของที่จําเป็นว่าบางคนร่างกายไม่เหมือนกันบางคนเข้มแข็งบางคนอ่อนแอเกี่ยวกับท้องบางคนมีโรคประจําตัวจะต้องทานอะไรลองท้องก่อนกินยาพวกนี้นะเราก็จะเตรียมไว้ให้ส่วนหนึ่งนะครับ แล้วอนอกจากนั้นเรื่องของสิ่งอำวยความสะดวกนะครับอากาศเรายังไม่คุ้นว่าช่วเช้าเย็นขนาดไหนนะแล้ก็จะถ้ามันบางวันมันเย็นมากเราก็จะห า, าะผ้าห่มส่วนที่นอนหมอนมุ้งอะไรต่างๆที่ทางนี้เตรียมไว้ให้ก็คงจะเพียงพอใช่ไหมทุกท่านมีทุกครบไปเลครับถ้าไม่ครบก็แจ้งทางครูจิลาพรนะที่อยู่ข้างหลังที่ได้ ประสานเอาไว้ก่อนแล้วหรือแจ้งคุณฮูชัยสิทธิ์ก็ได้ชัยศรีหรือคุณน้อยก็ได้นะครับคุณคุณคุณราชันท่านได้ท่านหนึ่งคุณราชันที่มาส่งเรามาจะไปประสานให้นะครับแทนอะไรก็ประสานก็ย่ายโยมอันนี้ประการหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คื อ, อไม่จําเป็นก็จะไม่ออกนอกสถานที่ไปข้างนอกนะครับ และมีความจําเป็นเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยยุงยาขาดอะไรต่างๆก็แจง้งให้ผมได้ทราบเพจะได้พิจารณาความเห็นความสําคัญเป็นหลายไปหรือไม่จะเข้าไปสอดในป่าในเขาอะไรต่างๆก็ต้องบอกให้ทราบเพราะว่าตรงนี้เป็นสถานที่ที่เราไม่เคยมาแตาไปแล้วได้รับเกิดอุบัติสัพอุบัติเหตุอันตรายต่างๆขึ้นมาเราก็จะลําบากเดือดร้อนอสมาชิกของเราที่อยู่ในค่าย นะครับพอเราก็ยังไม่คุ้นว่าในสาลที่แห่งนี้อันตรายมีอะไรบ้างเรื่องงูเยอะสิ่งที่เป็นพิษอะไรทั้งหลายเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบพรานั้นค่อยอยู่ให้คุ้นไปก่อนค่อยศึกษาไปสำหรับเรื่องอื่นที่ผมยังนึกไม่ได้ใช้ไม่ออกขนาดนี้แล้วก็พิจารณาเป็นวันๆ ไ, ไปว่าอะไรที่จําเป็นแล้วก็ทุกท่านก็ขอความร่วมมือว่าเห็นอะไรผิดแปลกแตกต่างที่ไม่เหมาะแก่ สมาชิกเข้าปฏิบัติธรรมก็ให้แจ้งได้ทราบบางทีท่านอาจจะไม่มีเจตนาจะทำแต่ความรู้เท่าไม่ถึงการหรือผมไม่ได้กล่าวเอาไว้แต่ว่าไม่เหมาะซึง ส, สมแก่การเข้าค่ายปฏิบัติธรรมก็โปรดได้แจ้งให้ผมทราบด้วยหรือให้จันทร์ผมก็ได้นะครับสําหรับเรื่องของขบวนการการอบรมนั้นก็อาจจะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบ้างนะครับ ใหอย่างอาจจะที่เราเคยมาเมื่อก่อนคือไปร่วมงานไหนก็หลังจากสมทานการปฏิบัติแล้วสําหรับผู้ที่เคยปฏิบัติแล้วก็แยกแยกตัวปฏิบัติไปโดยที่ไม่มีการตรวจสอบหรือไม่มีการเทียบเคียงการปฏิบัติว่ามีความก้าวหน้าถอยหลังอย่างไรเนื่องจากครูบาอาจารย์เราไม่ไม่เพียงพอหรือเพียงพอแต่ว่าเราเคยทําตามธรรมเนียมมาแบบไหนก็แบบนั้นซึ่งก็ทําให้เกิดความละหล้วม ไม่กระชับเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ที่จะเข้าใจธรรมะสายนี้ก็ค่อนข้างล่าช้าไม่ทันการทำงานไม่เป็นพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้ผมก็จะต้องมีการเรียกว่าใช้หลักการที่ผมได้มีการปรับปรุงมาแล้วนะไม่ว่าหลักทางด้านวิชาการปฏิบัติก็ดีหลักการสอบอารมณ์ก็ดี หลักการใช้อิดียบทต่างๆก็ดีทำอย่างไรที่จะให้เกิดความก้าวหน้าแล้วก็สัมผัสสภาวะได้เร็วนะเรื่องอันหนึ่งที่ได้เกินกล่าวไปก็คือเรื่องอาหารก็เป็นอุปสรรคสำคัญถ้าไม่รู้จักพอดีถ้าจะว่าไปเนี่ยการเข้าค่ายเนี่ยต้องให้ท้องหิวไว้ก่อนครับเพราะมันแก้ไขง่ายแก้ดื่มน้ำก็หายแต่ถ้ามันอิ่มมากเนี่ย ปัญหาอุปสรรคไม่เยอะครับอย่างที่กล่าวแล้วว่าตัวกรรมะคุณนะความอยู่สบายกินสบายนอนสบายเกินไปเนี่ยเป็นที่มาของกรรมะคุณทั้งห้ามารบกวนนิวรณต่างๆรบกวนแก้ไขยากแต่ถ้าอยู่น้อยกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากเราก็จะมีอุปสรรคน้อยแม้ร่างกายมันจะอ่อนจะเพลียจะหิวบ้างก็ก็มีสิ่งที่ คอยเพิ่มเติมแก้ไขอยู่นะก็ไม่ขาดแคลนแต่ว่าเราเอาเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเองนะครับนั่นก็ในช่วงวันสองวันนี้เราก็สองสวันนี้เราก็ต้องทดสอบดูว่าแค่ไหนทึงจะขาดแคลนแค่ไหนที่จะพอดีคือไม่ให้ขาดแคลนมากเกินไปและก็ไม่ให้มากเกินไปเอาได้พอดีนะครับพอที่จะเป็นเาเรียกว่าเรียก ว, ว่าเป็นไปเพื่อประพฤติพระมจร น, นะเป็นไปเพื่อ ตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เป็นไปเพื่อการอนุเคราะห์แก่การประพฤติภูมิจันทเสนาสะนะก็เป็นไปเพื่อป้องกันเหลือบยุงลมบได้สัตว์เรือขานและเป็นไปเพื่ออยู่ได้ในการดิกเล่นสําหรับภาวน า, นาที่เราสวดทุกวันนั้นการเข้าค่ายถ้าไม่จําเป็นเราก็จะไม่พูดคุยกันหรือไม่ไปทํากิจกรรมนอกอเวลาพ่กเพลือเช่นอาบน้ํา ซักผ้าหาของใช้อะไรต่างโดยไม่เป็นเวลาเวลาอันนี้เราก็จะได้พิจารณากันเป็นข่าวคราวไปนะครับที่เราเตรียมกันสําเร็จแล้ววันนี้ก็ไปอาบน้ําสูงน้ํานะครับพวกผมกลุ่มหนึ่งก็ได้ไปเอากระสอบทรายมาบรรจุกระสอบทรายแล้วก็ ท, ทําทานุเพิ่มคัามกันน้ําให้สูงขึ้น แล้วก็ไล่พวกใบไม้เศษไม้เน่าทั้งหลายในน้ําทําความสะอาดออกไปแล้วก็เพื่อให้เป็นบอ่อวิธีการก็คือไม่ได้ลงไปอาบในนั้นครับแต่ตักขึ้นมาอาบหรือแล่นั่งอาบที่ตรงนั้นเพราะเรามีคันผนังกัน้นอยู่ว่านั่งอาบตรงนั้นพอเราะ ล, ะลงไปอาบนี่บางทีเราซักผ้าใช้แฟบใช้สบู่ลงไปนั้นน้ําก็ไอ้สกปรกได้ แล้วก็ตักขึ้นมาซักดักขึ้นมาอาบลงไปอีกด้านหนึ่งเพราะนั้นขันคูที่เป็นถุงกระสอบสายก็ใช้เป็นที่นั่งที่อาบได้เป็นอย่างดีครับก็หลวงพ่อท่านก็เมตตาเอาอ่างเอาขันน้ำไปวางไว้ที่นั่นไปใช้ที่นั้นแต่อยากจะให้มาใช้ที่เดียวกันถ้าไปใช้ข้างบนนั้นอาจจะใช้น้ำน้ำสกรปรกลงมาข้างล่างก็จะไม่เหมาะครับ แลามาอาบที่เดียวกันมาคนณดส่วนน้ําสะอาดมาจากข้างบนใช้ตรงนี้แบ่งปันกันว่าอาบแล้วน้ําสกปรกลงไปด้านล่างแต่ถ้าหากว่าถือวาการอาบด้านบนนั้นน้าสปกปรกข้างบนก็ไหลามาสู่เพื่อนด้านล่างก็จะไม่เหมาะข้างล่างกุบาก า, าจา์ก็อาบอยู่นะครับถ้าเป็นไปได้ก็ลงมาอาบที่เดียวกันแต่มาคนละช่วงเวลาถ้ามารวมกันเวลาเดียวกันก็จะแออัดแล้วก็อาจจะไม่สมบ สมมุติว่าเราจะมารวมกันหกโมงเย็นก็เริ่มทยอยมาอาบตั้งแต่ห้าโมงสี่โมงห้าโมงอย่างช้าที่สุดก็ให้มาทันประชุมนะครับอันนี้เป็นต้นนอกจากนั้นก็การใชนะ้การใช้เทียนใช้อะไรก็ต้องระมัดระวังครับเพราะหน้านี้เป็นหน้าแรงถ้าหากว่าไปติดถ้าหากว่าใช้แล้วไม่ดับเราเพ้อหลับไปเกิดเทียนล้มใส่ ป่าไม้ใส่ใบไม้ข้างๆแล้วปลิวแสขงข้างก็จะเป็นเหตุให้เกิดไฟไม่ได้ก็ต้องระมัดระวังในการใช้โดยเฉพาะเทียนไขหรือเทียนที่เราเตรียมมาก็ใช้เวลาต้องการเดินกลางคืนเพื่อป้องกันเดือบยุงลมแดดได้สิ่งมีพิษเข้ามาแล้วก็จุดไฟเอาไว้เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าก็ยังไม่ถึงเวลาเราก็ไม่ควรเข้าไปนอนในเต็นท์เพนอนแล้วบางทีอาจจะเคลิ้มหลับไป ก็จะถึงมีสัญญาณเวลาเข้านอนนะครับเช่นสามทุ่มก็จมีสัญญาณะระฆังดังขึ้นครั้งหนึ่งนะเป็นเวลาพักช่วงเช้าประมาณตีสามคึ่งก็จะเป็นเปลี่ยนเวละกันตีละครังนะครับเป็นสัญญาณปลุกให้ตื่นแล้วก็สัญญาณรับอาหารเช้าสัญญาณรับอาหารกลางวันนี่เราก็จะพิจารณา ต่างวาระกันเป็นคุ้นๆไปนะแล้วตลอดถึงการล้างภาชนะที่เราใช้แล้วเอาบาดทุกท่านอาบาดมานะครับก็จะต้องมีที่เก็บขยะแห้งขยะเปียกแล้วก็ที่เก็บเศษอาหารต่างๆเนี่ยวาให้วางทั่วไปก็จะมีสัตว์ป่าก็ดีสัตว์บ้านก็ดีเข้ามาหากินเศษอาหารก็จะมารบกวนเรานะครับ เพราะจะต้องเก็บลงถุงที่เก็บขยะอย่างมิชิดซึ่งฝ่ายญาติยมก็จะจัดหาให้นอกจากนั้นก็จะเป็นสิ่งโดยความสะดวกเป็นสบู่แปรงยาซีฟันแฟบอะไรนี้ก็ก็คงเยิยมก็จะจัดเตรียมไว้น้ําก็เห็นว่ามาว่าข้างหลังนี้น้ําที่ไม่จําเป็นก็อย่าไปกักตุนเอาไว้ที่เต็นเยอะเกินไปนี่ก็เอาไปเท่าที่จําเป็นต้องใช้แต่ละวันถ้าเาไปใช้เยอะเกินไปเราอาจจะ นอกจากวันกีดขวางสถานที่แล้วก็อาจจะใช้เกินจําเป็นมันจะเป็นการสร้างนิสัยฟุ่มเฟือยนะครับเห็นว่ามีเยอะใช้เยอ ะ, ะอย่างไรก็ใช้น้อยไปก่อนนะถ้าเหลือว่าสําหรับคนอื่นที่เขาจะใช้ก็มีเพราะฉะนั้นก็การใช้อุปกรณ์และต่างๆที่เก็บขยะนะฮะก็จะมีไว้เป็นจุดๆนะครับพวกขวดน้ําแก้วน้ําหรือ ของใช้ไม่สวนต่างๆที่เกินจะเป็นแล้จะเก็บทิ้งก็ดีเก็บมารวมก็ดีอันนี้ก็แจ้งเป็นวันๆไปแล้วแต่ท่านผู้ใดเห็นตรงไหนไม่สมควรก็แจ้งผมผมก็จะแจ้งให้ทราบโดยส่วนรวมแต่ถ้าไปบอกกันเองบางทีก็อาจจะเพื่อนอาจจะเข้าใจไม่ถูกต้องก็เกิดการหมั่ใจกันขึ้นมาก็มาบอกในส่วนกลางก็ะะจะมาแจ้งให้การทราบว่าอันนคนจะทําอย่างไรนะครับก็นอกนั้นมีอะไรไหมครับ ตามที่ผมได้เกินกล่าวมานี่ยังไม่ครบเรื่องของสถานที่เรื่องของใช้ไม่ส้อยเรื่องของปัจจัยสี่แล้วก็เรื่องของขบวนการตารางเวลาและขบวนการปฏิบัติเข้าคร่าวยังไม่ลงลึกในรายละเอียดนะครับอาจนภูมพมียเห็นว่าอะไรมีสําคัญไหมครับนอกจากที่ผมกล่าวมานี้ ครับก็แก้ไปเป็นวันวันไปนะครับสําหรับ <c oughs> โทรศัพท์นี่ก็เริ่มเก็บคนไหยังไม่พร้อมก็พรุ่งนี้ก็ได้แล <c oughs> ้าพรุ่งนี้ก็เช้านะใครมีอะไรก็แจ้งให้เพื่อนให้ญาติได้ทราบตอนเย็นนี้ก็ตอนเย็นนี้ก็ได้ที่จําเป็นนะครับแต่ว่าผมจะเก็บไว้เพียงเครื่องเดียวเพื่อเป็นส่วนกลางนะครับใครจะใช้ก็แจ้งให้ผมทรา <c oughs> บเบอร์ <c oughs> ก็ผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง นอกนั้นก็คือการใช้สถานที่นะครับการไปไหนต้องได้รับอนุญาตแล้วก็อาจจะต้องสมทานปริวัตรร่วมกันส่วนรายละเอียดก็คือพรุ่งนี้แล้วเ ม, มื่อืมนนี่เมื่อวานดงสินมาถึงก็ค่อยประกในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเรื่องปริวาตเราจะใช้เวลาทุกเวลาให้เป็นประโยชน์นะครับเราจะไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยที่ไม่เกิดประโยชน์จะเราจะใช้เวลาให้ให้รู้คุณค่าของเวลา ว่าได้ปริวาสสิบวันผ่านไปเนี่ยเรื่องอารมณ์รูปนามเนี่ยคิดว่าต้องหายสงสัยนะถึงแม้จะไม่เห็นแต่ให้รู้โครงสร้างเอาไว้เหมือนกับเราพูดถึงสัตว์สักอย่างหนึ่งเช่นว่ากระจงุงนี้เนี่ยบางคนอาจจะไม่เห็นกระจงแต่พอไปเห็นรูปของมันเออกระจงมีรูปอย่างนี้แหละ แต่ตัวจริงมันยังไม่เห็นนะแต่เห็นรูปมันก่อนก็ยังดีนะครับพอไปเห็นของจริงปับ๊บมันก็จะจําหน้าตาได้อ่าสัตว์เขาว่าเขาบอกว่าช้างช้างน้ำอย่างนี้นะฮะบางคนก็ไม่เคยเห็นช้างน้ําเป็นแบบไห น, นตัวใหญ่เท่าไหร่เนี่ยแต่พอได้เห็นรูปลักษณะยอย่างนี้พอไปเจอตัวจริงปับ๊บมันก็จะได้จําได้ครับเหมือนกันอารมณ์ปฏิบัติในขั้นรู้และขั้นเห็นเนี่ยต่างกันในขั้นรู้ก็คือจินตนาการขึ้นมา ตามที่ครูบาอาจารย์ท่านระบายวาดภาพหเห็นนะแต่ในระดับเห็นคือคือเห็นนั้นสิ่งนั้นด้วยตัวเองมีสองขั้นตอนระดับสัญญาคือเรียกว่ารู้นะระดับปัญญาเรียกว่าเห็นนะครับเพราะนั้นในเบื้องต้นนี้ก็ทำในแง่ของระดับสัญญาให้รู้ไว้ก่อนให้แจ่มแจ้งอธิบายได้ว่าลักษณะรูปนามเนี่ยเป็นอย่างนี้นะแล้วเราก็ลองติดตามดูในภาพ ในรับสัญญามันเป็นอย่างนี้ของจริงเป็นยังไงก็ตามให้เจอนะครับพอเจอนล้วดับูุ่งนำแล้วก็เราเข้าใจอะไรได้บ้างมันก็จะมีสัญญาณบอกเป็นระยะริยะไปนะครับเร้ก็เหมือนกับว่าการปฏิบัติแต่ละครั้งเนี่ยมันก็เริ่มต้นใหม่นะครับถ้าทำว่าเป็นผู้ใหม่เสมอเนี่ยนั่นหมายถึงความก้าวหน้าผูคนที่พร้อมเพราะการเรียนด้านปรมัตา์มันเหมือนไม่ไม่เหมือนเกัน ปริญญาทเรียนหนังสือนะครับเรียนหนังสือหมายความว่าเราเรียนไปถึงไหนก็ต่อจากนั้นไปเลยมาถึงบทเรียนบทที่ห้า่าต่อไปต่อไปบทเรียนวันที่หแต่ในภาคปฏิบัติปรมัตา์มันไม่ใช่อย่างนั้นนะวันนี้เราเรียนบทถึงบทที่หนึ่งคือบทที่สิบข่าวต่อไปก่อนที่จะบทต่อบทที่สิบต้องกลับไปเรียนทบทวนบทที่หนึ่งถึงบทที่สิบใหม่ให้คล่อมตัวก่อนก่อนที่จะบทเรียนที่สิบอ มันอเราท่องสวดคูนสุดคูนะคนะครับก่อนที่จะท่องบทต่อไปก็ต้องท่องบทแรกไปถึงบทนั้นให้ได้ก่อนถ้าหากว่าบทแรกไปถึงบทนั้นยังจะังจําไม่แม่นเนี่ยก็จะไม่ต่อบทต่อไปเขาเรียตว่าต่อหนังสือนะครับดังนั้นเองก็คือตั้งต้นใหม่ก็เริ่มต้นใหม่เสมอก่อนที่จะดูรายละเอียดเพื่อเพราะมันเป็นนามธรรมเราไม่เห็นท่องรอยที่เป็นรูปธรรมนะครับ เราก็จะใช้สัญญาและปัญญาเข้าไปจำลักษณะและอาการที่โดยสัญญากับปัญญาต้องมีการเริ่มต้นใหม่เสมอนะครับอันนี้คือหลักการคร่าวๆสำหรับญาโยโนั้นมีอะไรที่จะแจ้งให้พระใครทราบมีไหมถ้าหากว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวข อ, อพบญาญโต่ออีกชุดหนึ่ง ช่วนี้ถ้าไม่ีอะไรผมก็จะจบไว้แค่นี้ถ้าใครสงสัยเลยไหมครับที่ได้กล่าวมาทั้งหมดไม่มีนะครับไม่มีนิมนต์พระเรากราบพระพร้อมกันแล้วก็แยกยมอยู่ก่อนจยกภพอยู่แยกยมอยู่ขึ้นไป